อาสนะที่ชื่อว่าที่กำบังคืออาสนะที่กำบังด้วยฝาบานประตูเสื่อลำแพนม่านต้นไม้เสาหรือพร้อมอย่างใดอย่างหนึง่งคำว่านั่งหมายความว่าเมื่อมาตุคามนั่งภิกษุนั่งใกล้หรือนอนใกล้ต้องอบัดปาจิตตีเมื่อภิกษุนั่งมาตุคามนั่งใกล้หรือนอนใกล้ภิกษุต้องอบดับปาจิตตีทั้งภิกษุและมาตุคามนั่งหรือนอนต้องอบับปาจิตตี